นิสัยในการคิดคือมโนกรรมที่กำหนดชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตความคิดแบบไหนที่ยังมือดอยู่ก็ปรับเป็นสว่างเสียถ้ามันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็พยากรณ์ได้ว่าชีวิตคุณจะเหลวไหลไร้าสาระถ้าเรื่องเล็กนิดเดียวยังเก็บมาเป็นอารมณ์ไม่หยุดก็พยากรณ์ได้ว่า ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยกองขยะหาของดีมีคุณภาพไม่ค่อยได้แม้มีคนที่รักคุณสรรหาสิ่งดีๆมาให้คุณก็จะทำให้มันเน่าเปื่อยหรืออย่างน้อยมันก็เน่าเปื่อยอยู่ในความรู้สึกข้างในจากมุมมองช่างติช่างชังถ้าไม่รู้ว่าชีวิตที่สว่างคืออะไรความคิดที่ถูกคืออะไรความคิดของเรา ก็จะทำลายตัวเองได้ความคิดไหนที่ยังมืดก็กรับเป็นสว่างเสียถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ที่พระพุทธเจ้าได้และเอาวิธีคิดของพระองค์มาเป็นวิธีคิดของเราได้มันก็จะมีคำตอบสั้นๆให้กับชีวิตก็คือคิดอะไรที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นคิดอะไรที่ทำให้รู้สึกใจสว่าง มีความรู้สึกเบิกบานอันนั้นแหละคือความรู้สึกที่ถูกต้องความคิดที่มันออกมาจากความทุกข์และคล้อยไปในทางความสุขได้เ <iss> มื่ออยู่กับตัวเองถ้าอยากคิดเรื่องอกุศลให้ตั้งใจเปลี่ยนไปคิดถึงเรื่องที่เป็นกุศลแต่ถ้าจําเป็นต้องคิดเรื่องอกุศลให้ตั้งใจคิดเอาข้อสรุปที่เป็นกุศลขึ้น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 อย่าเบียดเบียนกันความคิดที่เป็นทานคิดในทานที่จะไม่เอาเราต้องตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเป็นคนที่อยู่ในเขตของการให้ทานรักษาศีลยอยรับรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองและเทียบวัดความรู้สึกถามทำอย่างไร จึงจะคิดพูดและกระทําได้ถูกต้องตอบถ้าตั้งใจจะไม่ผิดเลยมันจะผิดอีกเรื่อยๆเพราะเราจะฝืนเกรงไม่เป็นธรรมชาติขอให้ท่องว่าเพื่อเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเราต้องผิดเป็นแล้วกล้ากลับไปแก้ไขรู้จักและยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเอง เวลาเกิดพฤติกรรมไม่ดีขึ้นไม่ต้องต่อว่าตัวเองแต่ให้ยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วสังเกตว่าลงเอยเป็นความรู้สึกอย่างไรแข็งแ็งด้านด้านหยาบหยาบแตกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริงที่อยากนุ่มนวลอ่อนโยนและปราณีตแบบไหนสังเกตเฉยเฉยอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าตัดสินให้คะแนนเป็นบวกเป็นลบ และตั้งใจจะเทียบวัดความแตกต่างไปเป็นร้อยครั้งพันหนไม่สนใจว่าจะต้องเทียบวัดกันอีกนานแค่ไหนสนใจแค่ว่าเราจะใส่ใจเทียบวัดความแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดจิตจะฉลาดขึ้นเองนี่แหละวิธีแก้อันเป็นที่สุดโดยอาศัยการเจริญสติเข้ามาช่วยจะได้ไม่ต้องบีบบังคับตัวเอง และไม่ต้องฝืนทั้งที่ไม่อยากฝืนเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดความถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติม่งั้นก็วนเวียนภายเรืออยู่ในอ่างผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการตั้งโจทย์ชีวิตไม่ถูกทำไม่ถูกกับกลไกธรรมชาติทางจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดากรรมทั้งสามคือมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรมนั้นมโนกรรมมีอิทธิพลใหญ่ที่สุดรอบงามวจีกรรมและกายกรรมไว้ในตัวจิตวิญญาณของคนเราสว่างหรือมืดได้ด้วยมโนกรรมเป็นหลักคิดดีก่อนจะเลือกคำพูดให้ดีพูดดีแล้วทำตรงกับที่พูดเอาไว้คิดดีแล้วชีวิตทั้งหมดจะดีเอง